ท่านฟังคะรายการสัส้สนีสนทนาค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมกับท่านมาร์คจบเราก็มาพบกับพระเพรบุญอภิปุณโนซึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีวัดป่าดอนหายโซเป็นวัดที่จะมีคอร์สหลีดเรนอยู่เป็นประจำเราไปกราบนวอมส ก, การท่านในช่วงเปิดธรรมที่ถูกจิต ด, ด้วยพุทธว จ, จะนะกันค่ะกราบนอสั ก, การนทั้คะเจมบานค่ ะ, <S <S าคะสาหรับเดือนนี้ เดือนอีกไหมคะเนี่ยเดือนพฤษภาผ่านไปแล้วก็คือช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาถึงวันที่6จบไปแล้วของเดือนมิถุนาก็จะเป็นวันที่สองถึงสมิถุนายนอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะปฏิบัติธรรมก็ขอให้รู้นะคะตอนนี้เต็มหรือยังคะยังไม่เต็มยังไม่เต็มสมัครเข้ามาได้ยังสมัครได้ที่หลวงพ่อดอคใช่นะคะแเข้าใจว่าคงจะมีคน สมัครไปเยอะอยู่เพราะว่าดิฉันสังเกตอะไรรู้ไหมคะท่านพิบุอืลคนไทยเนี่ยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์อืแล้วก็ช่วงเนี้ยเขาเข้ามากล่าพูดกันถึงเรื่องว่าบ้านเมืองมันดวงดาวไม่ค่อยดีนะอืจะมีคนแสวงหาสิ่งที่จะมาปกป้องคุ้มครองพวกที่เชื่อเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะคะในหลายแบบก็จะแสวงหาเพื่อดิฉันเนี่ยจะตะเวนไหว้พระ อแต่ไปทุกที่ที่คนก็บอกมีพระดีๆเลยอืไปก็เป็นคณะใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็บางคนก็จะเน้นการปฏิบัติธรรมหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับอะไรที่จะทําให้เชื่อมั่นว่าจะปกป้องคุ้มครองเราและคุ้มครองเมืองไทยได้ เ, น, ดเนี่ยก็จะทํากันอืมก็ทําทําเทอะถ้าเป็นแนวทางที่เป็นพระวชนะที่พุทธเจ้าบอกไว้ค<า>่นะพูดถึงถ้าไปหลีกเล่นอย่างที่ท่านจัดเนี่ย จะคุ้มครองเรื่องพวดนี้ได้ไหมคะเอ่อคือจะคุ้มครองตรงจุดที่ว่าจะคุ้มครองจิตของเราได้อย่างสมมติว่าถ้ามีวิกฤตการอะไรเกิดขึ้นมันจิตของเราสบายถ้าเราจากโลงนี้ไปตอนนั้นเราก็สบายแต่ถ้าเราเห็นวิกฤตการณ์เราหาช่องรอบไปได้เราก็สบายไม่เราสบายทั้งกลืนทั้งร่องและ <laughs> ที่เราได้ยินเขาว่าเขาว่าว่ามันไม่ค่อยดีนะพยากรณ์แบบนี้ เขานี้ใครก็ไม่รู้นะค่ะคือเราจะทําไงกับข่าวที่เขาว่า่ดีค่ะก็ต้องดูที่พระเจ้าว่ายไงค่ะแนเปรินเขาตรงนี้ให้เป็นพระเจ้าสิจะมาโคดมว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ต่างๆบ้านเมืองนะเราก็ต้องเข้าใจว่าเออมันก็เอดีก็มีไม่ดีก็มีนะในชีวิตเราเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างนี้แล้วเรื่องไอ้ที่ว่าโลกมันจะแตกโลกมันจะอะไรมันก็อีกนานพระเจ้าเป็นบอกมาเป็นอีกหลายแสนปีจากฝนที่ไม่ตกเลย นะี่ยคือฝนตกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วันนี้อุดรเพิ่งเพิ่งเมื่อกี้นี่ยังตกฝนเพิ่งหยุดไปแล้วนับจากนี้ไปอีกสักแสนปีนะถึงอาจจะมีดวงที่ดวงที่สองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังอีกหลายแสนปีในในที่พุทเจ้าได้ตรัสตะบายนะค่ะนะคะก็ทางสายกลางทีนี้มันมันมีอย่างนี้คุณโยมติวที่เขามีหนังสือพูดถึงพยากรณอะไรต่างๆมาเยอะแยะนะทีนี้เราก็พอได้รับข้อมูลมาเนี่ย เราต้อมาตรวจสอบคืออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคัดค้านคือไม่ใช่ว่าเราก็คัดค้านไปเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้ตรวจสอบอย่าเพิ่งและหรือเราไม่ใช่ว่าเออมาทําตามจ๋าเลยนะเราก็มาดูสัก่อนนะเราจจะทําไป น, นี้หน่อยดูว่ามันเป็นยังไงแนะเราก็มาตรวจสอบก่อนว่ามันถูกต้องจับที่พระเจ้าตรัสไว้ที่อื่นไหมลงกันได้ไหมรับกันได้ไหมนะถ้าไม่ได้ก็ละทิ้งไปเสียถ้าลงกันได้รับกันได้ก็ทรงจำเอาไว้เราปฏิบัติตาม เป็นเราก็ก็ดูตามตามที่เราตรวจสอบได้กันอยู่แล้วเราตัวข้อมูลตรงนี้ค่ะนะคะก็อย่าไปวันไหวแต่ว่าที่ท่านบอกว่าการปฏิบัติการหลีกเล้นจะช่วยเรื่องของจิตใช่ไหมคะมันมันเป็นงี้ด้วยคุณยมติวคือถ้าถึงแม้เราจะกลัวเนี่ยนะ<ข>คุณกลัวนี่คุณยงังรีบเตรียมเลยถ้าคุณกล<ข>ัว<ข>คุณเตรียมเตรียมตอนนี้เตรียมตอนนี้ดีที่สุดคือเตรียมใจตอนนี้ซะ ในวิธีเตรียมก็คือเตรียมใจอย่างที่คุณยมติกว่าแหละเนาะเตรียมใจว่าเออถ้ามีปัญหากเกิดขึ้นนใจฉันก็อย่างนอ้อยก็ยังควบกลุ่มได้ไม่มีเงินซื้อที่ไม่เป็นไรในะเตรียมใจเราซะค่ะคือเพราะว่าคนที่เตรียมใจเนี่ยนะออคือเขาจะสามารถเห็นสถานการณ์แล้วก็แก้ไขได้ทันควันแล้วประจิตของคุณมีกําลัง <Okay. S 1> นะหรือถ้าคุณแก้ไขไม่ได้ตรงในสถานการณ์ที่แก้ไม่ได้แล้ว นะคุณจบชีวิตไปตอนนั้นคุณก็ยังสบายใจแน่ไปที่ดีแน่นอนสุขติแน่นอนค่ะที่วัดท่านมีคนไปหาไหมคะเมื่อวันเสาร์ที่ห้าของเดือนพฤษภาซึ่งเป็นเดือนที่ห้าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าโอ้เพราะว่าโอ้ทั้งประเทศไทยเลยนะคะเลขห้าห้าห้าห้าเนี่ยมีแต่คนพูดถึงแล้วก็ ต, ตอนตีห้าห้าสิบห้านาทีด้วยนะใช่ค่ะไม่มีใครม า, ราว่ามีการเลิกเนนปฏิบัติเราปิดวัด ไม่สบายใจมากไม่ให้เข้าเล ย, <c oughs> เลยมีแต่เฉพาะพวกที่มาหลีกเลนเนี่แหละมานั่งสมาธิกันอยู่ตีห้าห้าสิบมาแลยวคะ่ะแล้วพวกที่นั่งสมาธิมีใครพยายามที่จะสื่อสารกับท่านไหมครับวันนี้วันพิเศษนะท่านทาอะไรพิเศษกันดีคือเขาก็เรื่องพิเศษที่เขาเจอเจอกันอยู่คือลงมาของเขาเ่าวอยู่แล้วแต่เอเขาเจอสิ่งพิเศษเด็กเขาก็สบายใจมากละส่วนเรื่องไอห้าห้าห้านี่แต่มาก็เพิ่งมาทราบนะ ค่ะคือดิฉันก็แปลกใจแต่เด็กๆมันจะมีอย่างนี้นะคะท่านเขาเรียกเสาห้าตอนนั้นเราก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะบอกว่าเสาดิฉันไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือแรงห้าข้ามที่เขานิยมกันเป็นวันเขาบอกว่าเป็นวันเหมือนกับเป็นวันแรงเป็นวันที่มีมีมีผลใหญ่สําหรับการที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์เรื่องอะไรต่างๆออืก็เคยไปเห็นที่เขาสักยันนะคะท่าน อ๋อสักยันเป็นเสือใช่ไหมคะเสือเพนอะไรอย่างเงี้ยพอสักเสร็จปุ๊บคนที่ถูกสักก็จะมีการห้วกหากเหมือนกับเสือเลยตอนเราเป็นเด็กแล้วก็ตกใจตื่นเต้นมากเคยเห็น อ, อย่างนั้นค่ะแต่อาะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ฟังไปน้อยไปใหญ่แล้วก็ผิดหลักการของรายการเราที่ว่าเน้นให้ศึกษาพุทธวจะนะว่าแต่ว่าเรื่องที่ที่ท่านพูดไปล่าสุดนียมีพุทธวจะนะอะไรกำกับที่จะให้ปัญญาท่านทั้งหลายคะ เราห้านี่ใช่ไหมใช่ค่ะ อ, อ๋อเรื่องของวันเวลาพระพุเจ้าบอกไว้นะว่าก็ อ, อให้เห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นของไม่งอนเง่นนะคือสมมติในเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาที่แหมเหมาะสมและดียังไงก็ตามเราก็ต้องเห็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงเห <frightened. S 2> มือนกันนะเราเห็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ยงได้นะเราก็ต้องมีสติอยู่ในกายขอยงเรานะแล้วก็เรื่องเวลามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะให้เห็นเป็นอย่างนี้ก็จะสบายใจได้อื นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมะของพระศาสดาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่จะทําให้เราได้เข้าใจว่าเราควรจะคิดวานจิตอย่างไรกับเรื่องของเวลาใช่ไหมคะใช่คือเวลาเนี่ยมันมันก็มีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆธรรมะของพระพุเจ้านี่ต่างหากที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอกาลิโกเพราะนั้นถ้าเราเข้าถึงธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไหนเราก็จะสบายอยู่ได้เป็นเป็นอากาลิโกได้ ไม่เปลี่ยนแปลงตามการคจิตของเราถ้าเรา ย, ยังยังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมคือยังมีความยึดถือในการตั้งหอยู่เนี่ยนะเรื่องเวลาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญกับ เ, เรามาเดี๋ยวทํานั่นเดี๋ยวทํานี่ เ, เวลาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะแบบบางทีเวลา24ชั่วโมงนี้ไม่พอแต่ถ้าผม ว, ว่าเราคลายความยึดถือได้มากเนี่ยนะเราเรื่องอะไรกี่ประติวอะไรหรือว่าเรื่องเบาๆเรื่องเล็กน้อยเสียเวลาเราก็วางซะเราทำแต่เรืร่องที่สําคัญสําคัญในชีวิต อย่างที่คุณโยมติ๋วเบอกว่าเรารู้สึกว่าพอเรามาศึกษาธรรมะมากขึ้ น, นรู้สึกเราไม่อยากจะเสียเวลาในเรื่องอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะเราไปทำเรื่องที่สําคัญสำคัญดีกว่าอย่างเงี้ยนะจะเป็นความรู้สึกที่เราจะเกิดขึ้นได้อืทุกคนก็ได้เวลามาเท่ากันแต่ว่าจะใช้เวลากันอย่างไรนั่นแหละเป็นเรื่องที่น่าคิดเวลาที่เท่ากันตรงนี้ก็คือทีละหนึ่งนะ เรามาต้องพูดอย่างนี้ที่ละหนึ่งเราได้มาเวลามาทีละหนึ่งตอนนั้นเองคือหมายว่าอย่างสมมติเราได้เวลามาตอนนี้วินาทีหนึ่งเวินาทีต่อไปนี้ไม่แน่มันจะมาหรือเปล่านะ น, นั้นเราคุณจะใช้เวลาวินาทีนี้คุณจะใช้ยังไงค่ะฉันกำลังมีเพื่อนที่เขาเศร้าโศกเสียใจมากกับสุนัขที่รักมากพันปักนะคะถ้านุ่งจากพันปักมะคหน้าแตกหน้าต า, า, ต า, า, ตาไม่สวยอะ่ะแต่ว่าน่าราักมากย่น เอเกาหลีจะเป็นแบบหายใจลำบากนี้ค่ะดิฉันดิฉันไม่ทราบเกาหลีหรือเปล่ารู้แต่ว่าเขาจะปกติจะหายใจคลืบคาดอยู่แล้วแต่เป็นมาที่แสนรู้นะคะทีนี้ร้อนจัดจัดนะค่ะออเพื่อนเนี่ยไปต่างประเทศกันท่านครอบครัวออก็ทราบข่าวว่าหายใจไม่ออกเสร็จก็สื่อสารเล่าให้กันฟังวันนี้ร้องไห้หลายยกมากเลยดะฉั้นก็ส่งไปบอกว่าเฮ้ยมันกําลังสอนเรานะว่ามีรักแล้วมีทุกข์ มีช่องพูดอะไรผิดเปล่าคะคุณไปแก้ไขให้ถูกต้องตามธรรมยังไงนี่นี่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญคุณโยมติ๋ถ้าเขาถ้าเขาเศร้าโศกเสียใจร่ําไห้คร่ําครวญทุบอกชกตัวแล้วเนี่ยนะ <c oughs> คุณจะไปบอกว่าโอ้ให้เห็นลมหายใจนะหเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ได้หรอกคุณโยมติวคื อ, ค, อคือเขาจะไม่เห็นหรอก <c oughs> คือเอาแม้แต่เราเองนะถึงแม้ว่าถ้าเราเจอเรื่องที่มันกระเทือนใจมากๆเลยเนี่ยนะโอ้โหมันก็เอาเย่วเอาไม่เอาไม่อยู่เหมือนกันเอาแยหามกันนะค่ะเรื่องเห็นธรรมะเนี่ยนะ เพราะนั้นแทนที่เราจะพูดเรื่องธรรมารที่แบบมันลึกซึ้งเกินไปเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าจะมาเห็น เ, เกิดดับเห็นไม่เที่ยงอะไรหรอกลมหายใจยังไม่เห็นเลยสมาธิยังไม่มีเลยเพราะนั้นมันก็จะกระเทือนใจเข้ามาวิธีแก้ง่ายๆคือถ้าเราโดนพิษเนี่ยพิษเนี่ยผู้เช่าเคยพูดถึงว่ามันคือความโสกคือเราถูกลูกศรต่าเนี่ย คือลูกศรคือธนูอย่างเงี้ยนะราถูกธนูอาบยาพิษอย่างเงี้ยตามเข้าให้แล้วเนี่ยแล้วพิษของมันเนี่ยคือความโศกไอตอนที่เราถูกถูกธนูแทงเนี่ยนะเราไม่รู้สึกตัวนะคือตอนที่เรารักตอนตันหาเนี่ยเกิดเนี่ยนะโอ้รางมันจริงๆรเลยแทงเราแล้วคุณไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ําว่าคุณถูกแทงแล้ว <ic> ลูกศรคุณยังไม่เอาออกอ่ะแล้วคุณจะไปแก้พิษเนี่ยมันไม่ได้คุณต้องถอนลูกศร อ, ออกสกอ่อดนิมราชเปรียบเทียบไว้อย่างง <ic> ี้นะลูกศรเนี่ยคือตัวตันหา พิษของลูกศร น, นั้นคืออวิชชานะทําความโศกให้เกิดขึ้นในใจคล <Okay. S 1> องถอนให้เขาถอนลูกศรซะออกซะก่อนเราถึงจะค่อยแก้พิษได้คเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทําไปธรรมาว่าเนาะ <Okay. S 1> น, นับทีละหนึ่งคือย ม, มันเป็นไปได้ความโศกเราต้องเจอแน่ท <Okay. S 1> ีนี้ความเจอความโศกแล้วเราก็คงจะต้องให้กําลังใจกันใน ท, <Okay. S 1> ที่นี้ให้กําลังใจกันคือหมายความว่าเออ ให้เขาคิดถึงสิ่งที่ดีๆในชีวิตเขาอย่างเงี้ยสมายคิดว่าน่าจะคิดได้อยู่ค่ะคื อ, คอมีสามาสังกปานลักษณะนี้แต่ทีฉันกำลังจะย้อนไปถึงที่ท่านพูดว่าเนี่ยมนุษย์เรามีเวลาทีละหนึ่งฮะฮะใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ถัดมาอีกหนึ่งเนะี่ยมันจะมีหรือเปล่าอืมใช่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่กับตัวเองมันมองไม่ค่อยเห็นอืม แต่ว่ามันจะไปเห็นเวลามันปรากฏจากคนอื่นนะคะยิ่งถ้าเป็นคนใกล้ตัวใช่พูดูเหมือนก็กนเราเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีนาทีอ่าแค่นาทีนี้เท่านั้นนาทีต่อไปอาจไม่มีไม่แน่ถูกต้องฮะต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะเอ่อถ้าคิดอย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญนะคือมีชีวิตอยู่แม้คืนเดียวก็ยังดีกว่ามีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ประมาทเราจาเป็นต้องคิดไหมคะ แบบเนี้ยค่ะเอ่อจะคิดอย่างนี้ได้คุณต้องมีสติแต่ว่าถ้าคุณมีสติเนี่ยจิตคุณเป็นแบบนี้โดยอัตโนมัติแล้วเอ่ไม่ยากนะไม่ไม่ใช่ว่าต้องแบบมาคิดอยู่เรื่อยๆกับการที่เราคิดแบบนี้ได้ <c oughs> มีประโยชน์อย่างสูงสุดที่ทุกคนรู้แล้วต้องทําเลยเนี่ยอย่างไรคะอ๋อก็คือรีบมารู้อริยสัจเหมือนกับไฟไหม้บนหัวโอ๊ยคุณต้องรีบมารุอ ร, อริยสัจแล้วไม่รู้ฉันจะตายตอนไหน มันจะมาถึงมาถึงจุดที่จนจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยตอนไหนก็จะรีบมารู้อริยสัจจะมีอ น, นิสงฆ์มากๆากทเดียวอ น, นิสงฆ์มากๆที่ท่านว่าคืออะไรคะก็คือจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้นะขั้นต่ําๆแบบเด็กๆเลยก็เป็นโสตบาล น, นะคุณทําดีขึ้นมาไหนก็เป็นสักทาคามีอนคาคามีจนเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ค่ะอืมเพราะในความเชื่อของพระศาสดา ตายแล้วไม่จบถูกหมคะถ้าท่านพูดแบบนี้อืมค่ะถ้ายังคุณมีณมีเชื้อแห่งการเกิดเหลืออยู่คุณจะต้องมีมาเกิดแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต้องมาเจอไอ้สิ่งเหล่านี้อีกนะเรื่องการพลัดหจากความสุขอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ธรรมดาค่ะถ้าฟังแบบนี้แล้วยังคิดว่าเราก็อาจจะต้องต้องต้องคิดให้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง อืมคือเห็นตามที่เป็นจริงให้ได้แล้วนะคือรอบรู้เรื่องที่มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้คือเห็นทั้งแง่ดีของเขาใช่ไหมเรามีความสุขตรงนี้เห็นทั้งแง่เสียของเขาคือตรงว่าอาจจะมันไม่เที่ยงมันจากเราไปได้อวิธีการแก้มีไม้เราเห็นตรงนี้ด้วยแล้นะเห็นสามอย่างเนี้ยรวมกันเนี่ยเรียกว่าเอออย่างน้อยรอบรู้เรื่องนี้เรารู้เรา ถ, ถูกนั่นเองแล้วที่ดิฉันยกตัวอย่างเรื่องของสุนัขตายแล้วเสียใจมากเลยนะคะอืม คือมันสองเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือบังเอิญเป็นตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างที่สองก็คือเรื่องคิดว่าเนี่ยขนาดมันเป็นสุนัขมันไม่ใช่คนที่เป็นที่รักนะคะเราก็ยังมีโอกาสที่จะเศร้าโศกเสียใจกับเขาได้มากขนาดนี้แล้วเราจะไม่ตั้งหลักเชียวหรือสำหรับการรับอะไรที่มัน หนักกว่านี้ใช่คุณยมติพูดประเด็นนี้ดีมากเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่จะหนักล้าหน้าไปเรื่อยเรื่อยมาพูดถึงยาขึ้นเรื่อยๆตามมันเวล า, ลาถูกต้องถูกต้อง <c oughs> เพราะอะ <c oughs> ไรเราแก่เรื่อยเื่เราตายไปเรื่อยๆยนะสิ่งที่คุณจะเจอข้างหน้าคือความแก่และความตายยาตายคนก็ไหนตัวตายเงินหายเจอโรคหนักโอมันเจอแน่นอนพวกนี้ค่ะอมพูดอย่างนี้ คนฟังรายการอาจจะเหี่ยวเฉาได้นะคะวันนี้ฉันไม่ไปทาอะไรแล้วมันโปรงตกเดี๋ยวมันก็ตายให้กําลังใจสักนิดดีไหมคะก่อนจบรายการทางออกมีอยู่นะครับเจ้าพูดถึงทางออกตรงนี้ว่าเรายังสบายใจอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติตามอนิมมักมีอง8นะอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็สบายใจแตถ้าเรามีมักมีอง8อยู่เป็นประจำมีมักมีอง8เป็นกระแสในมิตของเราคร่ะ ก็คือใช้ชีวิตของท่านให้เป็นปกติแต่อยู่ในมรรคมีองค์แปถูกต้องถูกต้องนะคะค่ะก็สบายใจขึ้นนะคะ <c oughs> นมำส ก, การขอบพระคุณท่านเพรีบุญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเทวานค่ะท่านฟังที่ครคาและนี่ก็คือพระอาจารย์เพรีบุญอภิปุโ น, โนซึ่งคอยที่จะตอบคําถามท่านทั้งหลายนะคะในรายการนี้เปิดทําที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะนอกจากนั้นก็ยังมี เว็บไซต์ของท่านเองนะคะที่จะให้เราไปเสพทำกันเพิ่มเติมในกรณีที่ท่านชอบอ่านชอบดูชอ บ, ช อ, บอะไรก็แล้วแต่ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท่านทำรองรับเอาไว้ให้กับส่งคำถามไปที่เพียวทมาด t com 1 0 a s ค่ะรายการนี้รายการสรรสรีญสนท น, นานะคะที่ชั้นสัรสรีญนาคพงดํดำเนินรายการอยู่ทางสถา น, นีวิทยุ SM ครอบครัวข่าวสทร้อยนะคะเราก็มีหนังสือผู้ทุจระแจกให้ท่านเป็นประจาวันละ 3ท่านท่านละ1เล่มเป็นอภิญานธนาการจากพระอาจารย์คริสติสโตรทิพโลค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่า น, นี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ